มังกรหยกภาคสองตอนที่สิบหกตอนหกหกสิงบอนเตกเมฆหนาทึบรวมบันจบลมเหนือโหมพัดกระโชกเป็นช่วงเวลาวสัสดุเมืองป้อเตี่ยหนาวเย็นเป็นพิเศษมีน้ำเจิ่งนองรอบตัวเมืองน้ำขึ้นทะเลหนุน ทำให้ถนนรอบตัวเมืองมิอาจขับรถเล็กเล่นฝ่าผ่านไปได้ฝนหยุดตกแล้วภายในเมืองป้อเตียผู้คนสัญจรไม่ขับขังเช่นยามปกติแต่บนปากทางถนนใหญ่ที่ทอดสู่ใจกลางเมืองมีร้านอาหารไม่ใหญ่โตเท่าใดแห่งหนึ่งร้านหลวงนี้กั้นราวลูกกงโดยรอบ โต๊ะเก้าอี้จะทาจากไม้ไผ่อาหารที่จำหน่ายเป็นหมี่น้ำร้อนกลุ่นสลัเปาหลองทองเจ้าของร้านรีบยกมียกมาสักชามพวกเรารับประทานแล้วจะออกเดินทางโอาหยังซ่างและคณะแวะเข้าหลานไม้พักเหนื่อยและหาอาหารหลองทอง หลังจากที่เดินทางลอนแลมเข้าสู่เขตบุรพาและมุ่งหน้าเข้าสู่สำนักแทนที่เจ้าของร้านจะมาบริการกลับเดินเข้าไปคารวะชายกลางคนล่างสันทัดสวมชุดสีกากีท่าทางสง่าองอาจตัวกอเชิญวันนี้ท่านจะรับประทานสิ่งใดอย่าเสียมร า, ยยายมรายาตลีไ ป, ไปรั บ, รบแขก โต๊ะต่างถิมนนั้นเถิดเถิดท้าทางเดินทางมาเหนื่ยเลยโหอยู่หิวห่าเดี๋ยวข้ามาเจ้าของร้านรีบเข้าหลังร้านเพื่อยกชามหมี่ร้อนๆมาเสิร์ฟชายชุดสีกากีเดินเข้ามายังโต๊ะคณะสํานักไตรบุผามิซอสหายเป็นชาวต่างเมืองเดินทางมายังเมืองป้อเตียยาำนี้ มีแต่น้าเจิงนองคงลำบากท่านแน่ขอบคุณตัวกอพวกเราเร่งรุดกลับคืนสู่สำนักทางภาคกลางหลายเมืองน้ำท่วมเจิงนองจึงคิดตัดทางผ่านเมืองป้าเตี่ยมีข่าวว่าเมืองนี้ก็ท่วมเช่นกันหมอกเงินเอ่ยตอบขึ้นถ้าคิดกับสู่เมืองหลวงภาคกลางต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วยาม เชิญพวกท่านรับประทานให้หายเหนื่อยเสื่อก่อนมิทราบว่าเราคณะของท่านเป็นใครไม่ทันที่เราสิทธตยบุพผาจะตอบเช่นไหลเสียงเจ้าของร้านเอ่ยสวนขึ้นทันควันว่าพวกท่านคงไม่รู้จักตัวกอของเราเป็นใครในทะเลบุรพาท่านเป็นจอมยุทธเอกผู้ลือนามฉายพบซิงบอดเต็กหรือธรรมกายไร้ผู้ต่อต้าน เราคณะไตบุกผาล้วนหันหน้ามามองกันด้วยสายตาประกายว่บเอ่ยขึ้นพร้อมกันท่านคือลีเกยินยิ่ยอดศีมือลรือน้ำแห่งทะเลบุรพาหรือเราสหายกล่าวได้ไม่ผิดข้าพเจ้าคือลีเกยินสิทธิ์ซื้อไพ่วยเง็กผู้เป็นหนึ่งในสิบขอสิทธิ์เอกของท่านภิกษุพบสิงต้าองค์ฟู ข้ามีฉายาว่าฮุบซิงบ่อเต็กเนื่องเพราะข้ามีวิชาวฮุบสิงเป็นหนึ่งในยุทธภพปัจจุบันนี้ลีเกย์ยิ่นกล่าวด้วยน้ำเสียงยิ่งพยององอาจถ้าเช่นนั้นพวกเราขอคารวะสิทผู้อาวุโสฮุบซิงบ่อเต็กชาวคณะเราก็เป็นสิทธิวิชาวฮุบสิงเช่นกันโอหยางสั่งตอบอย่างอ่อนน้อม สิทธิชาวฮุบสิง่งเดียวกันเช่นนั้นหรือตัวกอขอเลี้ยนงน้ําจ่แาแก่พวกเจ้าดูจากไว้พวกเจ้าคงวิสิทธิ์รุ่นห ล, ลังจากเอกรุ่นล่ละสิเหล่าตั ว, อวอกอชาวยุทธฮุบสิ่งย่อมต้องรู้จากขอเชิญเหล่าสิบพู่น้องไปบ้านข้าซึ่งอยู่ติดกับร้านนี้เองชาวยุทธฮุบสิ่งมกักมากขอต่อวิชากับข้าเดี๋ยวเราตัวกอจใจคําชี้แนะ ดีเกอ์ยินชักชวนอย่างไม่นำพาพร้อมทั้งนำเหล่าคณะเดินเข้าเคหสถานของตนนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ในยุทธภพชาวยุทธย่อมต้องแวะมาคารวะอยู่เฉลิมเชิญทุกท่านมาร่วมเจาะเสียงนั่งสมาธิข้าจะชี้ในวิชาวบสิงอันสุดประเสริฐแก่พวกเจ้าโอหยังสั่ง ส่งสายตาเป็นในแก่เหล่าสิทธ์มองเงินและสิทธิ์อื่นรีบนั่งลงต่อจากด้านหลังของเจ้าสำนักไตบุปผาทันใดนั้นเองกระแสขึ้นพลังจิตแรงกล้าก็ส่งมาครอบคุมทั่วทั้งห้องนับได้ว่าพลังแห่งชีวิตของ้วกสิงบ่อเด็กมิดเป็นลองไข่ในยุทธภพจริงๆกระแสขึ้นหมุนควงสว่างไปครอบคุมทุกอนุ ด้วยพลังจิตทีงแข็งแกร่งของโออยางซางประดุดกำแพงแก้วป้องกันเหล่าคณะได้อย่างอัศจรรย์โออยางซางเอ่ยขึ้นว่าตัวกใหญ่ท่านทำเช่นนี้การเดินเครื่องร้อยไส้สะกดผู้คนเข้าสู่จิตของท่านเพื่อการใดห่างมีหยุดยั้งขาน้อยมิขอเกรงใจ โอหยางซังตวาดกล่าวขึ้นด้วยเห็นว่าไม่ชอบมาพากลในการกระทำของลีเกิรยินตามกฎเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติในบูริมก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะประมือกันสมควรจะประกาศชื่อฉา ย, ยาออกมาแต่โอหยางซังเพิกเฉยสองเท้าลุกขึ้นยืนแยกออกจากกันเล็กน้อยเป็นเลขสิเอ็ดคล้ายกับว่าไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถโยกคลอนนานได้ ท้าทีสงบเยือกเย็นนี้ทำให้ลีเกยินที่ออกจากการส่งพลังที่หมายครอบคุมชาวคณะไตบุปผาไม่สำเร็จจึงมีอารมณ์วู่วามไม่อาสกดกั้นได้ร้องบอกว่าเมย์นังตัวกอไม่ขอเกรงใจยามนั้นลีเกยินกูร้องเบาๆใช้ฝ่ามือปานพายุบวัดเดี๋ยวแปลเปลี่ยนจากฝ่ามือเป็นหมัด อยากหมัดเป็นกงเล็บกลับดัดแปลงใช้ข้อสอบด้วยเพลงหมัดสิบแปดลอหังคุ้งคือสิบแปดหมัดอลรหันของสำนักเจ็ดมืูดินเข้าจู่โจมโอยางซังไม่หยุดอยางโอยางซังไม่เสียทีที่เป็นผู้แข็งเข้มแข็งแห่นสำนักไต้หวันใช้ท่าเท้าตอตะชิกแช์โป้หือท่าเท้าเจ็ดดาวเหยียบย้อนถวน แลกหลบดีด้วยท่าทางปาเนเมกผิวสายน้ำไหลพลิกข้อมือวุ้มหนึ่งก็ชักสร้อยประคำสามสีที่เป็นประกายแวววับของมันโบกสะบัดกลางอากาศปลากดเสียงลือลั่นไปทั่วดังเกิดเป็นลูกแก้วลูกเล็กๆประกายแลยยิบระยับเต็มชั้นบรรยากาศวิ่งเข้าสยบเพลงยุทธสเปอหังคุ้งของลีเกยินจอมยุทธแห่งทะเลบูรพาทันที สหายมีฝีมือยอดเยี่ยมนักเราผู้แซลีท่องเที่ยวทั้งเหนือจดตายกล่าวได้ว่าน้อยครั้งจะพบพานฝีมือเช่นนี้หากสหายจะให้เกียรติเราโปรดบ่งบอกฉายาแสดงฝีมือลือ่นลีเกอรยินมีท่าทีที่สงบและกล่าวขึ้นเมื่อเห็นว่าแม่นางผู้นี้มีวิชาควบสิงอัลลัมเลิรที่สามารถสะกดจับ เป่วอหังคุ้งของตนได้ข้าน้อยโอโหยางสั่งเจ้าสํานักไตบุพผามิทราบว่าตัวกอคิดประยุกต์เพื่อหวังสิ่งใดจา ก, จากพวกเราลีเกย์ย่นไม่ตอบคําถามกลับขอดูฝ่ามือของโอหยางสั่งโอหยางสัางยื่นฝ่ามือทั้งสองข้างให้ลีตัวกออย่างมึนงงทันใดนั้น นลี้เกย์ยินได้ยื่นฝ่ามือมาประทับอย่างรุนแรงและรวดเร็วปานพายุและร้องขึ้นเสียงดังเหมือนถูกเชื่ออ่อเหนือฟ้ายังมีฟ้าอโอ้ยางสั่งและคณะตกใจในเสียงร้องลั่นเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรโปรดติดตามตอนต่อไป 心底心底不扫空扫地。人人若把心底扫，无名烦恼遣。